ทันทมยังปฏิจจสมุปาะธรรมเมตุอิทัปเจยตาทิทรรมปาทางพระนามะเสนกาตาโมจะพิกเวปฏิจจสมุปะโทดูก่อนพิกสูทั้งหลายเพรปฏิจจะสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่ากาติปัจเจยาพิกเวชรามระนัง ดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยคารามารนายมีอุปาทาวาภิขเวตาทาคตานังอนุปาทาวาตาทาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตาทหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นยอมตั้งอยู่แล้วนั่นเที่ยวธรรมสิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัพปัจจัยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นต่างตาทาคาโตอภิสมพุปจติอภิส ม, มติตถาคตย่อมรู้ความจะพะย่อมถึงครมามจะพะซึงรำมาธาตุนั้นอภิสมพุปจิตวะอภิสมัตวะ การรู้ร้อมจะพอแล้วถึงความแก่พอแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมสแสดงปัญญาเปติปัสสเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรารติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่ยอมจำนแน ก, กแจกแจงอุตานีกโรติ ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปัสสะธาติจหาหะชาธิปัจจยาภิกขเเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณาย่อมมี อิตีข้อพิขะเวดูก่อนพิกุทั้งลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตาตะตาตาตาธรรมตาใดในกรณีนั้นอันเป็นตาตะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตาตะตาเป็นอวิตาตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานันยคตาเป็นอานันยคตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยาตาเป็นอิทัพปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น หายอยงอุจจติธิคเวปติจตสมุปปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปติจตสมุปบาทหรือธรรมอันเป็นธรรมชาตอิอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเพราว่าปัจจยาภิคเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัย ธาดย่อมมีปัสสะธาติจาระภาวะปัจจยาภิกขเเวจติและได้กล่าวแล้วในบัตินิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะพบเป็นปัจจัยธาตย่อมมีอุปาทานปัจจยา ภ, าภิกขเเวพะวะว ดูกนภิกษุทั้งหลายพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสทธาปิจาหะอุปาทานาปัจจยาภิกขเเวปะวและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูกนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี ตานห้าปัจจะยาภิกขเวอุปาทานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตานหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัจสถานปิจาหาตานห้าปัจจะยาภิกขเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัทนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะทันหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจะยาภิกขเวทันหาดูก่อนภิกขุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาย่อมมีตาสะทาปิจาหะเวทนาปัจจะยาภิกขเวทันหาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีหาสาปัจจยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะปัสจะเป็นปัจจัยเวทานาย่อมมีปัสจธาติจาหะ ภาาัสสปัจจะยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสลายญาตนาปัจจยาภิกขเวภัสโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสลายญาตนาเป็นปัจจัย อาสาย่อมีปัสสะธาติจาหะสลายยตนาปัจจยาภิกขเวพัสโซและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูถ้าสลายาตนาเป็นปัจัยอัสาย่ยมี นามารูปรปัจจายาภิกขเวสลา ย, ยตนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายาตนาย่อมมีปัสสธาติจาหะนามารูปรปัจจายาภิกขเวสลายาตนาแปลได้กล่าวแล้วในบัทนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามารูปเป็นปัจใจธารยตน้าย่อมมีวิญญาณปัจจยาภิกเวนามารูปังรูกรภิสษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารปมูปย่อมมีปัสสาทิตจาระวิญญาณปัจจยาภิกเวนามารูปัง และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปย่อมมีตังขาราปจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสธาติจาหะ สังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัตนีว้ว่าดูกนภิกษุทั้งหลายผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณยอ่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขารงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังคาญทางหลายย่อมมีอุ ป, ปาทาวาภิกเวตทธาคาตานังอานุ ป, ปาทาวาตทธาคต า, านังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ชาติานกทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามภิกาวาซาธาตุขัมมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมมธิตาตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมาธรรมนิยามาตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจะตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ตังดาธาคโตอาภิสัมบุชติอภิสมเมติตถาคตย่อมรูร้ครามจะพอย่อมถึงความจะพาซึ่งคำอมถานั้นอาภิสัมบุชาาิตวะอภิสเมตวะการรูร้ครามจะพอแล้วถึงความจะพอแล้วอาจิคาติเทเสติย่อมบอกย่อมสแสดง ปัญญาเติปัสสะเติย่อมบัญญัติย่อมตั้งรึ่นไว้วิวารติวิภาัชาติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแก่แจงอุตตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ความปัสสาติจาหะอาวิชชาปัจจยาผีขเวตั้งขารา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิปิโคภิกเขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหละยาตะตรตาธาตาครามธาตุใดใ น, ในกรณีนั้น อันเป็นตาตาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตาตตาเป็นอวิตาตาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญญาตาตาเป็นอานัญญาตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัพปัจจะตาเป็นอิทัพปัจจะตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นบาจัยสิ่งนี้สิ่งนี้นจึงเกิดขึ้นอายังวุจวะติภิกขเวปฏิจตสมุปาทโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปาคือทำรร ม, มันเป็นธรรมชาติอาศัยการแล้วเกิดขึ้นดี n a m i l a